ตายซะก่อนแม่วัวนางตายในขนาดนั้นก็ไปเกิดเป็นนางฟ้าเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับเป็นทองหมดนะไม่ว่าจะเป็นที่นั่งที่นอนไม่ว่าจะเป็นผ้าไม่ว่าจะเป็นวิมานเป็นทองหมดเลยต้องใช้วัตถุมากเหมือนพวกเราไหมไม่ต้องเลยแต่เจตนาที่เกิดขึ้นมันมากไม่น่ามีปัญหาขัดเคืองเลยเนาะตรง น, นี้เนาะถามต่อเลยนะคะแล้วเวลาที่เราถวายแล้วเนี่ย คือบางครั้งสมมุติว่าเรานำอาหารดีๆของดีๆไปบูชาขณะบูชาเนี่ยเราก็บอกว่าเราน้อมถวายบูชาพระพุทธเจ้าแต่ใจนึงมันมีกิเลสแวบมาค่ะว่าเนี่ยแหละเดี๋ยวมันก็เป็นของฉันไปเดี๋ยวขอเล่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเป็นเครื่องประกอบวันที่มาเพิ่งได้ความรู้มาจากโยมมันก่อนโยมโยมขับรถโยมก็เล่าเรื่องพระบาทสมเด็จเรื่อง เ, เล่าเรื่องพระเจ้าตักสินได้ฟัง ไม่ไม่เอ่ยนามนะีปกติมาก็จะไม่ทราบอีกมุมหนึ่งโดยมากก็ทราบในมุมของประวัติศาสตร์แต่นี้เธอก็ยืนยันว่าเป็นประวัติศาสตร์เพราะพ่อเป็นนักประหลาดของจีนเนียนะไปได้ประวัติศาสตร์เชื่อมโยงระหว่างระหว่างไทยก็คือตอนที่พระเจ้าตักสินได้ขึ้นคลองราดนี่เนะี่เมื่อปราบอลีราชศัตรูเสร็จเส็จก็สถาปนาขึ้นเป็นตน่างัาก ทีนี้ตอนนั้นท่านก็ถวายแผ่นดินถวายทั้งแผ่นดินเป็นพุทธบูชาแล้วถ้าหากทางภาคใต้ก็ไปถึงกาลันตันกาลันตานูถึงมะละกาทางเหนือก็สิบสองปัญ น, นาสิบสองจิตรไทยทางเวียจนจันทงางแะไต่างก็กินไปหมดแล้วทั้งนั้นเสียมราชพระท้าพระตะองก็ไป้องพูดถึงเยอะมากในยุคนั้นท่านก็น้อนถวายเป็นพุทธบูชาที่ก่าวไว้นิสราจารึกนั่นแหละ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 ว่าเออญาติเราได้เป็นใหญ่แล้วก็พากันลงเรือมาหลายสิบลำเรือใหญ่เนี่ยที่จะมาพึ่งใบบุญก็มาเบสเสร็จก็ขึ้นมาประเทศไทยก็เดินทางก็เป็นแลมเดือนนะ่นะขึ้นมาเบสเสร็จก็เข้าไปหาท่านก็บอกข้ายาตท่านคงมองเห็นว่ามันจะเป็นความวุ่นวายใช่ไหมท่านก็บอกไม่ได้แล้ว พรพื้นแผ่นดินเนี่ยถวายแดย่พระพุทธเจ้าไว้เรียบร้ <c oughs> อยอป้องกันได้ด้วย้หมนะถวายญาติก็โอ้โหทําไมเป็นเงี้ยเนี่ยเมสเซ็ตก็ให้กลับท่านก็บอกเอาเดินทางไปเดี๋ยวไม่มีอาหารกินท่นเดี๋ยวเดี๋ยวมอบไอ้เนี่ยผักกาศดองให้ไปก็แล้วกันก็บรรจุใส่ไห้ให้เต็มเยอะแยะไปเลยนะใส่เรือปอันนี้ประวัติที่เราฟังมาเนี่ยเยมสเซ็ตก็เดินทางไปก็โกรธใหญ่เลยโอ้โห แค่มาขออาศัยพื้นเป็นดินอยู่ก็โดนให้กลับไปแล้วเนี่ยเป็นญาติรู้จักกันแท่เดียวกั น, นแท้ๆอย่างนี้เป็นต้ น, น, นเนีเนาะเพราะโกรธแต่ละทีก็จับไหายทุ่มลงน้ําโกรธจัดน้าเขาน้าเข้าหิวบอกก็กินไปโกรธไปทําหนีไปเนี่ยนะเอาล้วงไปข้างหนเอาเป็นทองขึ้นก็เลยเป็นประวัติทีนี้อยู่ต่อมาก็เลยเป็นประวัติว่าคนจีนยังยกมือหน่อยที่ทีมใครมีเชื้อของจีนเนะี่ยยก โอ้โหเยอะเลยท่้นพูดให้ดีหน่อยเดี๋ยวคนจีนไม่ให้กล่ <c oughs> <c oughs> าวมาไม่มีพวกกันใะห้พูดอเงี้ <c oughs> คนจีนเนี่ยเวลาจะมามาประเทศไทยเนี่ยเขาจะต้องสอนลูกสอนหลานว่าภาษาจีนว่าไงนะหกนี่แปลว่าพระพุทธเจ้าตีนี่แปลว่าแผ่นดินฉะนั้นถ้าจะมาประเทศไทยนีย้คือแผ่นดินของหกตีก็แปลเป็นแผ่นดินของพระพุทธเจ้า ฉะนั้นม เ, มเมื่อมาเหยียบพื้นแผ่นดินไทยในการทํมหามาหากินแล้วอย่า ท, ทาํ า, าทชั่วบนพื้นแผ่นดินของพระพุทธเจ้าถ้ามาทําชั่วบนพื้นแผ่นดินของพระพุทธเจ้าแล้วจักทํามาหากินไม่ขึ้นเขาก็จะสอนลูกสอนหลานกันอย่างนี้มานี่นะนี่หมายถึงกลุ่มที่เชื่อสายที่ที่รู้มุมประวัติศาสตร์ในมุมนี้อันนี้เขาก็มีการบันทึกเอาไว้ด้วยว่ามีประวัติศาสตร์เขียนอย่างนั้นด้วยที่จีน ว่านี้คือแผ่นดินของพระพุทธเจ้าภาษาจีนก็เรียกว่าหกตีเออฟังแล้วก็น่าชื่นใจทีนี้ประเด็นก็คือว่าแม่ชีก็อึดอัดขัดเคืองเรื่องว่าบ้านขายไม่ได้ก็ขายแผ่นดินกันเป็นว่าเป็นสันก็ขายใช่ไหมเปลี่ยนฉนโถดกันไม่รู้เมา่กี่ลายต่อกี่ลายแล้วแต่ประเด็นอยู่ตรงไหนอย่าลืมนะคําว่าบ้านก็คือสมมุตินะใช่ไหมพื้นแผ่นดินทั้งหลายเหล่านี้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 แม้จะมีการซื้อขายต่างๆเหล่านี้ก็คือขายสิทธิ์เงินทองที่ได้มานะเพื่อนน้อมในการจะสละอยู่แล้วใช่ไหมเลี้ยงตนเองก็เป็นบางส่วนเล็กน้อยนอกนั้นก็คือจะให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้ปู่ให้ยา่าให้ตาให้ยายถวายบูชาพระรัตนตรยัยก็เดินตามทานกุศลศีลกุศลเดินตามจารีศีลวารีศีลที่พระศ า, าสดาบอกไว้นั่นแหละเพราะพระศ า, าสดาเนี่ย เกิดมาทุกชาติทีสร้างบา ร, รมีพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตอนเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยทรัพย์ที่มีพึงมีเพื่ออุปการะของบุคคลอื่นเท่านั้นอวัยวะที่มีตั้งแต่ผมยันเท้าเนี่ยนะท่านก็มีไว้เพื่ออุปการะแกสัตว์อื่นโดยแท้ชีวิตที่มีก็มีเพื่อเพื่ออุปการะสัตว์อื่นโดยแท้ นั้นใครจะเอาผืนแผ่นดินเอาทราบสมบัติของพระ อ, องค์ไปใช้เอาลาวยวิวาไปใช้แม้เอาชีวิตของพระ อ, องค์เนี่ยไปทําประโยชน์ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยพระ อ, องค์จะทําประดุจ ด, ดังต้นไม้ที่เป็นยาเป็นต้นไม้ที่เป็นยาฉะนั้นเวลาเราใช้สอยของพระพุทธเจ้าที่เราน้อมถวายน้อมสักการะบูชาแล้วเนี่ยเราน้อมเห็นคุณพระพุทธเจ้าปราถนาให้เรารู้มีกตันยูคือรู้คุณกระตะเวทีคือการตอบแทนคุณ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 เพราะว่าเป้าหมายวัตถุประสงค์ก็เพื่อการไม่ติดข้องในวัตถุชิ้นของเหล่านี้ถ้าเขาถามว่าแล้วไอ้ที่ถวายถวายจริงหรือเปล่าก็ต้องย้อนถามว่าคุณเป็นพุทธหรือเปล่าแล้วคุณนับถือพุทธศาสนาคุณได้ทำวัาสวดมนต์ไหมบอกทํอาบอกว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระเจ้าคุณท่องทุกวันไหมอาท่องก็ผมยันเล็บนี่นะ ผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้าหัวใจตายไปต้นคุณยังกล้าถวายพระเจ้าแม้รูปประชีวิตนามาชีวิตคุณยังกล้าถวายพระเจ้าแล้วสมบัติภายนอกคุณหวงไว้ให้ใครก็ถวายไปเลยได้ดีไหมเพราะยังไงก็มอกกายถวายชีวิตไปแล้วถ้าตอนนั้นไม่รู้ก็มันตกกระไดพอยโจรไปแล้ว <c oughs> อันนั้นพูดเล่นแต่จริงๆก็คือว่าถวายไปเถอะ ก็ขนาดเรามอบกายถวายชีวิต ย, ยังยึดโยงอยู่ขนาดนี้ยังไม่ค่อยได้สละอะไรจริงๆไะเพราะจิตที่คิดจะให้จริงๆเนี่ยไม่ค่อยท่องแท้เท่าไหร่ขนาดคิดจะให้ขนาดนี้ใจยังพยายามดื้อกลับเลยใช่ไหเอาแต่ข้อแท้จริงเป็นแบบนั้นไหมจิตไม่ยอมอ่ะให้เบเสร็จเนี่ยใครมาว่านิดหน่อยก็ไม่ได้ก็โกรธเขาทาั้งๆที่ถวายพระเจ้าไปแล้วนี่นะ แล้วไหนทําวัดสวดมนต์ไปแล้วบอกเขาส่วนภาษาบาลีก็ไม่รู้เรื่องบางคนก็ทําแบงออกอย่างนี้ก็ยังมีเยอะเลยสรุปก็คือว่าเรามอบกายถวายชีวิตแด่พระเจ้าแด่พระธรรมแด่พระสงฆ์แล้วสิ่งของทั้งหลายสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหลายก็น้อมสละเลยได้ไหมยังมาวัดได้ไม่ได้แล้วก็ระหว่างไงลูกๆอย่างให้ที่อย่างให้แล้วนี่แล้วยังโกรธอยู่ไหมถ้าลูกจะมาทาหนิเราถ้ามาชมเรายังชื่นใจอยู่ไหมอย่างนี้แปลว่าเรา อาจารย์เจ้คคาคะถ้าเราสละหมดแล้วอย่างที่ท่านพระอาจารย์กรุณาแนะนําเนี่ยค่ะแล้วมีคนเขารู้อะค่ะเขาก็จะมาขอเราจะทํายังไงคะเพราะทัพย์นี้เราก็ยังจะต้องใช้เลี้ยงตัวเราก็บอกว่ายบอกอยังพระเจ้ายัางพระเจ้าเป็นดินได้ไหมบอกว่าไม่ได้แล้วว่าเอาสมว่าพิ้นเป็นดินนี่ถวายพระเจ้าไปแล้ว เดี๋ยวเขาบอกว่าเขาไปขออนุญาตพุณเจ้าแล้วขอใช้หน่อยได้มหมแล้วจะว่างไงตอนเนี้ยคือตรงนี้ก็อย่างที่ได้กล่าวไว้ว่าเป้าหมายการสละเราท่านทั้งหลายนั้นเพื่อเป้าหมายใก่การไม่ยึดติดในสิ่งเหล่านั้นเพราะการน้อมตหวายถ้าอย่างนี้นะว่าถ้ามีใครสักคนใดคนหนึง่งลุกขึ้นมาตอนเนี้ยเขาถามว่าเม่ชี ทำว่าสวดมนต์มอบกายถวายชีวิตกองพระเจ้าใช่ไหมั้งนั้นชีวิตของแม่ชีนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอจัดการหน่อยได้ ไ, ดไหมแล้วจะทําไงใช่ไหมขอได้ไหมชีวิตเนี้ยเอาก็ขอได้งั้นไปเป็นขี้ข้าหน่อยสินี่เรื่องร่นเกิดเป็นเรื่องยาวเลยใช่ไหมถึงบอกว่าจริงๆในการสละตรงนั้นเราน้อมสละเพื่อบูชาเพื่อบูชาเนี่ยถามว่าเราสละให้จริงๆไหมให้ให้ในฐานะไหน ให้ในฐานะไปต่อไปจากเดินตามคำสอนของพุทธเจ้าแบบไม่ผิดเพี้ยนคือสละถวายพุทธเจ้าแล้วเพื่ออะไรเพื่อจะไม่เป็นทาสของกิเลสแต่จะไปเป็นทาสของพุทธเจ้าเพราะราคะาโทสะโมหะเนี่ยมันให้ความโหดร้ายมันบังคับเราแบบไม่เคยปานีเราเลยฉะนั้นเมื่อเราไปเป็นทาสของพุทธเจ้าเสียได้ปลดเครื่องพนาการจากการเป็นทาตของกิเลส เมื่อเราไม่ต้องเป็นทาสของกิเลสเรามาเป็นทาสของพระเจ้าเสียเชื่อว่าเราได้ที่พึ่งหรื อ, อยังเป็นที่พึ่งอันกเกษมด้วยเป็นที่พึ่งอันประนีสูงสุดด้วยเพ่ออาศัยที่พึ่งเหล่านี้ได้แล้วเนี่ยเราจะหลบภัยจากกิเลสคือราคะโทสะโมหะได้เมื่อเราหลบภัยจากกิเลสคือราคะโทสะโมหะแล้วเราก็ไม่ต้องไปประสบชาติทุกขชราทุกขพยาทุกมรณะทุกแล้วก็ไม่ต้องไปประสบความโศกความล่ําไรร่ำพันนี่เป็นอย่างนี้ เป้าหมายคือต้องการจรจาราคาโทรศัมือคือมุมนี้นะที่เราถึงสละแต่ไม่ใช่สละแบบว่าไม่ได้ให้จริงใจเราให้ใจเราน้อมที่จะให้แต่ณวันนี้เนะเมื่อเราสละเราให้แล้วเนี่ยเราก็ยังใช้ของที่มันเป็นอยู่ก็เหมือนพื้นเป็นดินที่เราอยู่เราเหยียบเรายา่ำแล้วเราก็ใช้สอยกันมาจนทุกวันเนี้ซึ่งก็เพราะ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 ถ้าลึกถึงทานกนุศลก็ลึกถึงเจตนาฐานที่เคยสละไปอะไรที่มันประทับใจที่สุดไล่เลียงในความทรงจํานึกไม่ออกจดเข้าไว้ให้ก่อนเอามาดูให้เด่นอันนี้เด่นเราจะ เ, าเป็นอารมณ์กรรมฐานแล้วฉะนั้นทานกนุศลในอดีตสามารถเอามาลึกเป็นจาคานุสติได้ไหมได้ไม่ได้ทีนี้ทานกนุศลที่จะทําในอนาคตที่ได้ปุพพะเจตนาที่กําลังก่อเกิดให้เป็นไปอยู่ที่เป็นไปกระสมมนัสเอามาลึกให้เป็นจาคานุสติได้ไหมได้ไม่ได้ และปัจจุบันที่กำลังกระทาอยู่ที่เราสละอยู่ในขณนะนั้นเอามาเป็นระลึกระลึกกรรมฐานเป็นอารมณ์กรรมฐานได้ไหมสรุปแล้วจาระนุสติทั้งในอดีต ท, ทั้งในอนาคตที่จะเกิดวัตถุที่จะดําเนินไปแล้วทําปุพพาเจตนาให้เกิดขึ้นน้องวัตถุในอนาคตด้วยและที่เป็นไปในปัจจุบันสามารถอะไรที่เด่นชัดในใจเอามาระลึกได้หลับตาย้อระลึกได้อย่างต่อเนื่องเลยเนี่ระลึกถึงจาระนุสติเหล่านั้นแหละสติที่ระลึกถึงการสละการให้การบริจาคน ลองนึกดูทีว่าตอนที่เรานั่งณนะขนาดนี้อะไรที่เราให้ไปแล้วเนี่ยมันชื่นใจมากที่สุดมีไหมมีไม่มีถ้าเกิดมาอายุ ป, ปูนนี้แล้วเนี่ยนะไม่เคยให้อะไรที่ประทับใจเลยเป็นเรื่องน่าคิดนะ